มาวัดกันอย่างสม่ําเสมอมากันอย่างต่อเนื่องเป็นภารกิจที่พึงกระทำํำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นภารกิจที่จําเป็นเป็นภารกิจที่สําคัญในการดูแลรักษาจิตใจให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ให้อยู่อย่างเจริญก้าวหน้าอยู่อย่างปราศจากความทุกข์ต่างๆการมาวัดนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาร่างกายร่างกายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอ ไปหายามาดูแลรักษาเพื่อให้ร่างกายหายจากโรคภัยไข้เจ็บและอยู่อย่างเป็นปกติสุขจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและจะมีมากกว่าโรคภัย ของร่างกายเสียด้วยซ้ําไปร่างกายเรานานๆถึงจะไม่สบายถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาลสักครั้งหนึ่งแต่จิตใจของพวกเรานี้ไม่สบายใจอยู่เกือบทุกวันดังนันการเข้าวัดบ่อยๆเข้าวัดเรื่อยๆจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการ รักษาความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปการมาวัดเราก็จะมาหาหมอหาอยาเพื่อรักษาใจที่ไม่สบายหมอก็คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายส่วนยาก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่จะสามารถกำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าเรามาวัดบ่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายเราไปโรงพยาบาลเราก็จะมียามีหมอคอยดูแล รักษาใจของเราให้อยู่กันอย่างร่มเงย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนี่คือความจาเป็นหรือความสำคัญ <c oughs> ของการมาวัดกันมาวัดสิ่งที่เราจะได้รับก็คื อ, อย่า ที่เรียกว่าธรรมโอสดนี่เองและเราก็จะได้พบกับหมอพบกับพระพุทธเจ้าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ถ้าท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็พบกับพระอริยสงสาวกุกในสมัยพุทธกาลสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่ก็มีศรัทธาญาติโยม ไปกับพระพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่องเพื่อไปรับยาที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตาประทานให้เอาไปรักษาจิตใจจนทำให้จิตใจนี้หายจากโรคต่างๆของจิตใจอย่างเด็ดขาดที่ทำให้ผู้ ที่หายจากโรคอย่างเด็ดขาดนี้เป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่งจากพวกเราไปแล้วก็มีพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้มาทำหน้าที่เป็นหมอรักษาโรคใจของพวกเรากันต่อไปมีการดูแลรักษา จนทำให้ผู้ที่มารักษาหายขาดจากโรคทางจิตใจก็ได้เป็นหมอต่อไปหลังจากที่ได้รักษาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆแล้วบุคคลนั้นก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาแล้วก็จะทำหน้าที่เป็นหมอรักษาโรคใจ ของผู้ที่ยังไม่ได้รับการรักษาของผู้ที่ยังไม่ได้รักษาจนหายอย่างเด็ดขาดก็จะมีพระอาหารหันตสาวกมาคอยรักษาใจให้แก่บุคคลเหล่านั้นนี่คือการเสืบทอดของโรงพยาบาล ของจิตใจที่ได้มีการสืบทอดถ่ายทอดกันมากันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมอันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกเมื่อมีผู้ที่สนใจน้ำนำเอาไปศึกษาน้ำนำเอาไปปฏิบัติ ก็สามารถที่จะทำให้จิตใจของตนนั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ได้กลายเป็นพระอาหารหันตาสาวกที่จะเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือให้ผู้ที่ยังไม่พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์กันต่อไปพระพุทธศาสนาของเรา จึงอยู่กันมาได้จนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่ามียังมีการเผยแผ่สั่งสอนมาทำคำสอนอันประเสริฐให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังพอหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธา น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถจะรับประโยชน์ทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดในการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้นี่แหละความสำคัญของวัดของศาสนา มีความสำคัญต่อจิตใจเป็นหลักส่วนความสำคัญต่อร่างกายนี้มีบ้างแต่ก็ไม่มากมีเพียงแต่พอให้เรารู้จักดูแลรักษาร่างกาย <c oughs> ให้อยู่ไปตามอัตภาพให้อยู่ไปตามวาระของร่างกาย ที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปออการมาวัดนี้เราไม่ได้มารักษาร่างกายไม่ได้มาทําให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะเรื่องของร่างกายนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่มีใครที่จะมายับยัง้งหรือเปลี่ยนแปลงได้ออร่างกายของคนทุกคน เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่มีใครสามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แต่การที่เรามาศึกษาเรื่องธรรมชาติของร่างกายนี้จะช่วย ทำให้จิตใจของเราไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกายเราจะคิดว่าเราสามารถที่จะห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายได้แต่พอ เราทำไปแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราจะไม่รู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรกับร่างกายจึงจะทำให้ใจของเราไม่ต้องทุกข์กับร่างกายถ้าเรามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้เรียนรู้ว่า การที่เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยวางร่างกายต้องอย่าไปยึดไปถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเพราะเมื่อเราไปยึดไปถือว่าร่างกายเป็นเราของเราขึ้นมาความอยากให้ร่างกายอยู่ ไปโดยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะเกิดขึ้นมาเพราะความหลงทำให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเมื่อเราเป็นร่างกายเราก็ไม่อยากให้มันแก่มันเจ็บมันตายเพราะมันเท่ากับเวลาร่างกายแก่เราก็จะคิดว่าเราแก่ไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บเราก็จะไปคิดว่าเราเจ็บไปกับร่างกาย เวลาที่ร่างกายตายเราก็จะคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายแต่ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั้นเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนอย่างที่เราคิดเราเป็นเพียงผู้ที่มาครอบครองร่างกายร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่ง ส่วนคนขับรถนี้ก็เป็นเราเรามาควบคุมร่างกายเหมือนกับคนขับรถมาควบคุมรถยนต์รถยนต์จะไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนขับรถพาไปนี่คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าร่างกายกับจิตใจ จิตใจนี้ก็คือเราผู้รู้ผู้คิดนี่เองเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆจะร่างกายจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวจะทําอะไรได้นี้ต้องรอรับคําสั่งจากใจก่อนจนตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่ได้สั่งให้ร่างกายลุกขึ้นไปเดินไปไหนมาไหน ร่างกายก็ไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่เดินไปไหนมาไหนร่างกายก็นั่งเฉยๆแต่ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะสั่งให้ร่างกายให้ลุกขึ้นให้ยืนให้เดินให้ไปทําอะไรต่างๆนี่แหละผู้ที่สั่งกับผู้ที่รับคําสั่งนี้เป็นคนละคนกันเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์ คนขับรถยนต์นี้ไม่ใช่เป็นรถยนต์แต่คนขับรถยนต์ต้องนั่งอยู่ในรถยนต์ถึงสามารถที่จะควบคุมรถยนต์ให้วิ่งไปไหนมาไหนได้ตามความต้องการของคนขับรถยนต์ใจก็เหมือนกันใจก็ต้องมาเกาะติดอยู่กับร่างกายแล้วก็ใช้ความคิดสั่งให้ร่างกาย ทำอะไรต่างๆตามความต้องการของใจทำไมใจถึงต้องมามีร่างกายเพราะว่าใจมีความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนั่นเองใจไม่มีความสุขในตัวเองเลยต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุข ทางตาหูจมูกเดินกายนี้เองใจเวลาได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วชะนิดต่างๆก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาถ้าได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบที่ถูกใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาการที่ได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผลถั่วที่ชอบที่ถูกใจนี้ ที่ทำให้เกิดความสุขขึ้นมานี่แหละที่ทำให้ใจติดกับรูปเสียงเกียร์รถต่างๆจึงทำให้ใจต้องมามีร่างกายก็เปรียบเหมือนกับคนขับรถยนต์ที่ต้องมีรถยนต์เพราะอะไรเพราะว่ารถยนต์สามารถพาคนขับรถยนต์ไปไหนมาไหนตามความต้องการของคนขับรถได้ ถ้าคนขับรถมีความอยากไปตามสถานที่ต่างๆการมีรถยนต์มันก็ทำให้สะดวกสบายทำให้เกิดความสุขเพราะได้ทำตามความอยากอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีถ้าคนขับรถไม่มีรถยนต์ก็มักจะคิดถึงการหาซื้อรถยนต์กันใจก็เหมือนกัน ใจเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็จะคิดถึงการหาร่างกายคิดหาร่างกายมาเพื่อที่จะได้มีร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือความเป็นมาของการมาร่วมอยู่กันของร่างกายกับจิตใจร่างกายนี้อยู่ป่าศจากจิตใจ ไม่ได้ต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยเวลาที่ไม่มีร่างกายก็ต้องไปคอยหาร่างกายอันใหม่แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ใช้ร่างกายพาไปหาความสุขต่างๆแต่ปัญหาของการมีร่างกายนั้นมันมีอยู่ตรงที่ร่างกายนี้มัน เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองถ้าร่างกายเป็นสิ่งถาวรมันก็จะไม่มีปัญหาใจก็จะสามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายไปได้อย่างตลอดเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่ตายแต่สิ่งที่ใจอาศัยเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจนี้ กเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งชั่วคราวพอได้มาแล้วก็ใช้ไปอยู่สักระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกับการซื้อรถยนต์มาขับรถยนต์ก็อายุไม่ยืนยาวนานเหมือนกับอายุของคนขับรถคนขับรถจึงมักต้องเปลี่ยนรถยนต์อยู่บ่อย ซื้อรถยนต์มาใช้ได้ไปสักพักก็เกิดอาการาไม่ดีต่างๆขึ้นมาเกิดอาการชำ้ำรถซุดโรมต้องคอยเอาเข้าอูกซ่อมอยู่เรื่อยๆจนเกิดความเบื่อหน่ายก็ต้องเปลี่ยนรถยนต์ซื้อรถยนต์คันใหม่ใจก็เหมือนกันใจใช้ร่างกายไปเรื่อยๆ ต่อไปร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายปัญหาก็คือพอเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้ใจทุกข์กันเราจึงมักจะไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายกันเพราะเวลาร่างกายแก่เจ็บหรือตายเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขเหมือนกับที่เรา เคยหาได้ในตอนที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แต่มันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้เราจึงทุกข์กันทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายแต่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีโรงพยาบาลรักษาโรคใจ คือยุคที่มีพระพุทธศาสนายุคที่มีวัดมีพระอริยสงสาวกมีพระธรรมคําสั่งคําสอนหรือมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะช่วยรักษาใจของพวกเราถ้าเราอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะสามารถที่จะไปรักษาใจของเราไม่ให้ทุก ไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้และไม่ทุกไปกับสิ่งต่างๆที่เราใช้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่เราหามาเพื่อให้ความสุขกับเราล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ถาวรทั้งนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมีวันสูญสลาย มีวันเสื่อมมีวันเสียมีวันหมดไปพอเวลาเกิดการสูญเสียเกิดการพัดพาดจากสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเราก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาความทุกข์เหล่านี้เราสามารถที่จะกำจัดได้หมดถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา เหมือนกับเวลาที่เราไม่สบายทางร่างกายแล้วเราไปโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลเดี๋ยวหมอก็ช่วยรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้เปรียบเทียบสมัยนี้กับสมัยโบราณร่างกายของเรานี้มีโอกาสที่จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายได้มากกว่าสมัยโบราณ สมัยโบราณนี้ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอไม่มียาที่ทันสมัยรักษาโรค ก, ก็รักษาไปตามความรู้แบบพื้นฐานความรู้ของชาวบ้านซึ่งไม่ได้รู้อะไรมากมายคนจึงมักเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ่อยและรักษาไม่หายหรือตายกันไปก็มีมาก แต่ในยุคปัจจุบันเมื่อมีแพทย์มียามีโรงพยาบาลการรักษาร่างกายให้อยู่ไปยาวๆนานๆก็เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องนี่คือประโยชน์ของการมีหมอมีโรงพยาบาลมียุกมียาของทางร่างกายทําให้ร่างกายของคนสมัยนี้อยู่กันอย่างสมบูรณ์ แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานกันฉันใดจิตใจของพวกเราถ้ามาเกิดในยุคที่มีโรงพยาบาลของจิตใจพวกเราก็สามารถที่จะมารักษาความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปได้หมดสิ้นเลยเช่นอย่างชาตินี้ยุคนี้สมัยนี้ เป็นยุคที่มีพระพุทธศาสนามีโรงพยาบาลที่จะช่วยรักษาความไม่สบายใจต่างๆของเราให้หายหมดไปอย่างสิ้นเชิงความไม่สบายใจต่างๆไม่ว่าจะเกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปสูญเสียบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบไปหรือ ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ของร่างกายความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายความตายของร่างกายก็จะถูกกำจัดไปหมดเลยหรือความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปาถนากันหรือไปพบกับบุคคลต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ปราถนากัน ก็จะสามารถกำจัดความทุกเหล่านี้ได้หมดไปเช่นเดียวกัน<ม>นี่คือประโยชน์ของการมีพระพุทธศาสนา<ม>ถ้าพวกเราอยากจะกำจัดความไม่สบายใจต่างๆที่พวกเรากำลังมีกันอยู่ในขณะนี้และกำจะมีกันต่อไปจนถึงวันตายเลย เราสามารถที่จะกำจัดความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆให้หมดไปจากใจเราได้ถ้าเราเข้าหาโรงพยาบาลของจิตใจเข้าไปวัดที่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นหมอเป็นยาที่จะรักษาโรคไม่สบายใจต่างๆให้หายหมดสิ้นไปได้ วิธีที่เราจะรักษาโรคต่างๆของใจเราก็ต้องไปหาหมอหาพระพุทธเจ้ า, ร า, จราหรือพระอริยสงสาวกตอนนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องหาพระอริยสงสารวกเพราะว่าถ้าไปหาผู้ที่ไม่ได้เป็นพระอริยสงสารวกจะไม่รู้วิธีรักษาใจ ให้หายได้อย่างถูกต้องต้องเป็นพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกนี้ก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชเสมอไปพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีบุคคลทุกประเภทในสมัยพุทธกาลมีพระอริยสงสาวกที่เป็นนักบวชก็มีเป็นคารวะผู้ครองเรือนก็มี เป็นหญิงก็มีเป็นชายก็มีเป็นเด็กก็มีเป็นผู้ใหญ่ก็มีมีมีทุกเพศทุกวัยเลยเพราะใจของแต่ละเพศแต่ละวัยนี้เหมือนกันหมดใจของแต่ละเพศแต่ละวัยนี้ไม่มีอายุไม่มีไม่มีเพศเหมือนเหมือนกับร่างกายและใจของทุกคนนี้สามารถที่จะ รับธรรมะคำสั่งสอนหรือยาคือธรรมะโอสดของพระพุทธเจ้านี้ไปรักษาให้หายขาดได้ผู้ที่รู้จักวิธีรักษาใจให้หายขาดจากโรคของใจนี้เราก็จะเรียกท่านว่าเป็นพระอริยสงสาวกลกพระอริยสงสาวกนี้ก็มีอยู่สี่ระดับด้วยกัน คือผู้ที่สามารถรักษารู้จักวิธีรักษาโรคใจในระดับแต่ระดับคือรักษาได้แต่ละขั้นแต่จะรู้จักจะรู้จักวิธีรักษาพยาบาลเหมือนกันหมดทุกคนรู้ว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆของใจนั้นเกิดจากอะไร และรู้ว่ายาที่จะต้องใช้ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของร่างกายนี้ต้องใช้ยาชนิดไหน <Yeah. S 1> เพราะว่าผู้ที่รักษาจิตใจของตนนั้นก็ต้องผ่านเป็นขั้นๆไปผ่านขั้นที่หนึ่งเพื่อสู่เข้าสู่ขั้นที่สองเพื่อสู่ขั้นที่สามและขั้นที่สี่ เมื่อเข้าถึงขั้นที่สี่ก็จะสามารถกำจัดโรคภัยคือความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หายไปหมดเลยจึงมีการแบ่งเป็นสี่ขั้นด้วยกันพระอริยบุคคลผู้ที่รู้จักรักษาโรคใจโรคของความไม่สบายใจในตนเองนั้นมีอยู่สี่ระดับ รักษาระดับที่1ได้ก็เรียกว่าพระโสดาบันรักษาระดับที่สองได้ก็เรียกว่าพระสกิฎาคามีรักษาระดับที่สได้ก็เรียกว่าพระอานาคารามีรักษาระดับที่4ได้ก็เป็นพาาระอรหันต์การที่ได้เจอพระอริยสงสาวกต่างๆนี้ก็จะสามารถช่วยสอนให้เรารู้จักวิธี รักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้โรคภัยของจิตใจถ้าเรารู้จักรักษาขั้นที่หนึ่งแล้วเราก็จะสามารถที่จะรักษาขั้นที่สองด้วยตนเองได้รักษาขั้นที่สามและรักษาขั้นที่สี่สด้วยตนเองได้พระอริยบุคคล น, นี้พอได้เป็นขั้นที่หนึ่งแล้วท่านไม่จำเป็นที่จะต้องให พระอริยะที่สูงกว่าสั่งสอนก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีท่านก็จะสามารถที่จะรักษาโรคภัยระดับที่สองที่สามที่สี่ได้ด้วยตนเองแต่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างเพราะว่าไม่มีประสบะการณ์ยังต้องอาจจะต้องลองผิดลองถูกอาจจะต้องใช้ยาชนิดนี้ ใช้ยาชนิดนั้นแต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถที่จะรักษาโรคภัยต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้าเริ่มเข้าสู่ขั้นที่หนึ่งแล้วเพราะว่าวิธีรักษาโรคทุกขั้นนี้รักษาเหมือนกันเพียงแต่ยาที่จะใช้อุบายที่จะใช้ในการรักษา นั้นแตกต่างกันไปหรือจะเปรียบเทียบว่าเป็นโรคชนิดต่างกันคือเป็นโรคหัวใจก็ต้องใช้วิธีรักษาอย่างหนึง่งเป็นโรคปอดก็ต้องใช้วิธีรักษาอย่างหนึง่งแต่การรักษานี้เหมือนกันก็คือต้องใช้ยาเพียงแต่ต้องรู้จักว่ายาชนิดไหนเหมาะกับโรคชนิดไหนเท่านั้นเอง ดังนั้นถ้าเราได้มาพบกับพระ อ, อริยสงฆ์สาวกไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามระดับที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราก็จะได้รับยาชนิดเดียวกันไปรับวิธีรักษารักษาโรคใจไปเหมือนกันแล้วถ้าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามคำสั่งของหมอไปหาหมอหมอบอกให้เอายาไปรับประทาน ถ้าเรารับประทานยาตามที่หมอสั่ง<ม>เดี๋ยวเราก็จะสามารถรักษาโรคของความไม่สบายใจของต่างๆของเราให้หายไปหมดได้นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องมีคือต้องหาพระอริยสงสาวบอกถึงจะสามารถช่วยให้เรา รักษาโรคความไม่สบายใจต่างๆให้หายไปหมดได้ถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกนี่เราก็จะต้องอลองผิดลองถูกคือถ้าไม่มีพระอริยสงมาสอนธรรมะแต่ยังมีธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถที่จะศึกษาได้เราก็ยังสามารถอ อาศัยธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาใช้ในการรักษาโรคใจของเราได้เพียงแต่ว่ามันจะยากกว่าการที่มีพระอริยสาวกมาสอนเราเหมือนกับการที่เราไปหายามารับประทานเวลาเราไม่สบายถ้าเราไปหายานในโรงพยาบาลหรือในร้านแต่ไม่มีใครบอกเราว่ายาชนิดไหน เป็นอย่างไรบ้างมียาเต็มไปหมดในร้านขายยาหรือในโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่มีเภสัชกรมาบอกเราว่าคุณไม่สบายแบบนี้ต้องกินยาอย่างนี้ถ้าไม่มีเภสัชกรไม่มีแพทย์เราก็ต้องลองผิดลองถูกอลองยาชนิดนี้ดูถ้าใช้ไม่ได้ก็ต้องลองอีกชนิดหนึ่งมันก็จะ เสียเวลามากแต่ก็ถ้าเรามีความพยายามไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ยาที่จะมารักษาที่ถูกโรค ก, กับของเราได้เหมือนกันเองแต่ว่ามันช้าหน่อยมันยากหน่อยมันช้ากว่ามันยากกว่าการที่มีพระอริยสงสาวกมาเป็นผู้สั่งผู้สอนเพราะพระอริยสงสาวกมีประสบะการณ์ได้ศึกษาได้เรียนรู้ ยาต่างๆชนิดยาต่างๆได้ศึกษาโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆจึงรู้<ม>ทันทีว่าเวลาเกิดความไม่สบายใจชนิดนี้จะต้องใช้ธรรมะชนิดไหนถึงจะสามารถกาจัดความไม่สบายใจชนิดนั้นให้หายไปจากใจได้นี่คือทางเลือก มีสามทางคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้านี้ท่านก็จากเราไปแล้วก็เหลือสองทางเหลือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาโลกใจของเราถ้าเราไม่รู้จักพระอริยสงสาวกว่าอยู่ที่ไหนเป็นใครเราก็อาจจะต้องอาศัย พอทำคำสั่งสอนที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกนั้นเอามาศึกษามาทดลองมาลองปฏิบัติตามความเข้าใจของเราซึ่งอาจจะปฏิบัติถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็อาจจะทำให้ช้าและนานกว่าที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่สามารถที่จะรักษาโลกอย่าง โลกต่างๆของจิตใจได้แต่ถ้าเราโชคดีเราได้ไปพบปะกับชาวพุทธที่รู้จักพระอริยสงสาวกอเขาก็จะแนะนำเราว่าพระอาจารย์รูปนี้คนคนนี้มีความรู้มีความสามารถอุบาสกคนนี้อุบาสิกาคนนี้แลพระสงฆ์องค์เจ้าองค์นี้องค์นั้น ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะสอนให้เรารู้จักนักษาโรคใจของเราให้หายได้ถ้าเราได้รับคำแนะนำหรือได้ยินได้ฟังกิจศัพท์ของบุคคลต่างๆเหล่านี้เราก็จะสามารถไปพบปะแล้วก็ไป ฟังคำสั่งคำสอนของบุคคลเหล่านี้ได้แล้วถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่เข้าใจเราก็สามารถถามได้ถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าวิธีรักษาโรคใจของเราต้องรักษาอย่างไรสิ่งที่เราต้องทำขั้นต่อไปก็คือเราต้องทาตามคาสั่งคาสอน ของผู้ที่เราไปศึกษานั่นเองเพราะการศึกษานั้นเป็นเพียงเป็นเหมือนกับการไปรับยามาจากแพทย์จากหมอเวลาเราไม่สบายทางร่างกายเราก็ไปหาแพทย์แพทย์ก็ดูอาการแล้วก็ให้ยาเรามารับประทานหรือถ้าบางทีก็อาจจะให้ฉีดยาหรือไม่บางทีก็ต้องให้ผ่าตัดเนี่ย อันนี้เป็นการวินิจฉัยของแพทย์เป็นการให้ยาวิธีการรักษามาให้กับคนไข้คนไข้ถ้าอยากจะหายจากโรค ก, ก็ต้องเชื่อฟังคาสั่งคำแนะนำของแพทย์ของหมอถ้าหมอบอกให้รับประทานยาก็ต้องรับประทานยาถ้าหมอบอกว่าต้องฉีดยาก็ต้องฉีดยาถ้าหมอบอกว่าต้องผ่าตัดก็ต้องผ่าตัด ถ้าไม่เชื่อฟังหมอปฏิเสธขอกลับบ้านไม่เอาไม่รับยาหรือรับยาไปแล้วไม่รับประทานหมอจะฉีดยาให้ก็ไม่ให้ฉีดหมอจะให้ผ่าตัดก็ไม่ผ่าตัดถ้าไม่ทำตามหมอสั่งโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะไม่มีวันหายอันนี้ก็เหมือนกันความทุกข์ความไม่สบายใจต่างๆของพวกเรา จะหายไปได้ก็ต่อเมื่อเราเอาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนหมอพระอริยสงสาวกเป็นเหมือนหมอท่านบอกว่าให้รับประทานยาชนิดนี้รับประทานยาชนิดนี้ให้ฉีดยาชนิดนี้ให้ผ่าตัดด้วยยา ด, ยด้วยวิธีนี้การการรักษาของ พระพุทธศาสนาก็มีหลายวิธีด้วยกันมีวิธีที่ง่ายขึ้นแล้วก็ยากขึ้นไปตามลำดับวิธีง่ายก็กินยาวิธียากกว่านั้นก็ฉีดยาวิธีที่ยากกับการฉีดยา ก, ก็ต้องวิธีผ่าตัดอันนี้ก็มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเหมือนกันถ้าเป็นโรกเกี่ยวกับ เรื่องที่ใช้ยากินแล้วหายท่านก็ให้เราเอ า, เอายาไปกินกันถ้าต้องใช้วิธีฉีดยาท่านก็ให้เราฉีดยากันถ้าต้องใช้วิธีผ่าตัดเราก็ต้องผ่าตัดกันจึงจะสามารถที่จะรักษาโรคของความไม่สบายใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้โรคของความไม่สบายใจของพุทธศาสนานี่ก็มีอยู่สามระดับด้วยกัน ระดับรับประทานด้วยยาระดับฉีดยาและระดับผ่าตัดนอันนี้ก็เป็นเหมือนกับทางร่างกายระดับรับประทานยามันก็ง่ายกว่าไม่ทรมานไม่ยุ่งยากเหมือนกับระดับที่สองคือระดับฉีดยาระดับฉีดยานี้ก็ไม่ยุ่งยากไม่ทรมานมากเท่ากับระดับที่สามคือระดับผ่าตัด โรคของใจก็มีสามระดับนี้ที่เราจะต้องใช้ายาสามระดับนี้ถึงจะสามารถแก้ปัญหาความไม่สบายใจความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้โรคระดับที่หนึ่งความไม่สบายใจของพวกเหล่านี้มักจะไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็มักไม่สบายใจกับเรื่องเงินทองเนี่ยมักจะมีความไม่สบายใจ เกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่พอใช้บ้างหรือไม่พอใช้ในวันนี้ก็กังวลในวันข้างหน้าว่าวันข้างหน้าจะพอใช้หรือไม่คนทุกคนไม้ว่าจะมีเงินทองมากมีเงินทองน้อยมักจะมีความกังวลกับเรื่องเงินทองเสมอเพราะเรื่องเงินทองนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนั่นเองเงินทองนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดหรือไม่ มันจะหดมันจะหายหรือมันจะเพิ่มอย่างไรนี้บางทีเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงความกังวลเหล่านี้มันทาให้เรามีความไม่สบายใจขึ้นมาความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนี่มันจึงทำให้เหล่านี้มีความไม่สบายใจเราก็จะสามารถแก้ได้ด้วยการทำบุญทาทาน ในเรื่องระดับของเงินทองปัญหาส่วนหนึ่งเรื่องของความกังวลหรือความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็คือกลัวจะเงินทองไม่พอใช้การที่เรากลัวเงินทองไม่พอใช้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเราใช้เงินทองมากเกินไปนั่นเองเราใช้เงินทองไปกับความไม่จำเป็นต่างๆที่เราไม่ควรใช้แต่เรากลับอยากใช้ อันนี้มันจะทําให้เราต้องมีเงินทองมากถ้าเราใช้เงินทองตามความอยากต่างๆเช่นเราอยากไปเที่ยวเราก็ต้องใช้เงินทองอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อเราก็ต้องใช้เงินทองอยากจะซื้อของหรูหราของสวยๆงามๆที่เราไม่จําเป็นจะต้องซื้อเราก็ต้องใช้เงินทอง ถ้าเราไม่หักห้ามความอยากใช้เงินทองในรูปแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเงินทองจะไม่ค่อยพอใช้เพราะว่าต่อให้เรามีเงินมากน้อยเพียงไรมันก็จะมีของแพงๆของที่จะมาให้เราอยากซื้ออยู่มากขึ้นไปเรื่อยๆมีเงินทองในระดับแสนก็ไม่พอใช่ระดับล้านก็ไม่พอใช้ ถ้าเราไม่ควบคุมการใช้เงินทองตามความอยากเงินทองนี้มีไว้ใช้เพื่อดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเรานี่คือหน้าที่ของเงินทองที่แท้จริงเพราะร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่เราต้องเลี้ยงดู ร, รักษาเพราะถ้าร่างกายเป็นอะไรเราจะเดือดร้อนมากเราก็เลยต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายของเรา อ, อันนี้เป็นหน้าที่ของเงินทอง แต่การใช้เงินทองไปกับตามความอยากต่างๆนี้ไม่เป็นเรื่องที่สำคัญที่จำเป็นจะต้องใช้เราต้องหาวิธีหยุดมันวิธีหยุดการใช้เงินทองตามความอยากก็คือเวลาที่เราอยากใช้เงินตามความอยากก็เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนเอาไปทำบุญทําทานแล้วมันจะห้ามความอยากใช้เงินได้แล้วมันจะให้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากการ เอาเงินทองไปซื้อไปใช้ตามความอยากต่างๆนั่นเองตอนนี้ฝนเริ่มตกนิดหน่อยถ้ายัางพอทนนั่งได้ก็นั่งไปก่อนเพราะว่ า, าพูดธรรมะไปเดี๋ยวถ้าจะต้องย้าไที่มันก็จะต้องพักก่อนแต่ถ้าจะเป็นจะต้องลุกก็ไม่ว่านะอันนี้ก็แล้วแต่แต่คิดว่าฝนช่วงนี้คงไม่สาหัสจนถึงกับเปียกบอน คิดว่าตอนนี้เทวดามาอนุโมทนาบุญมาปะผมน้ำบนให้พวกเราในในช่วงขึ้นปีใหม่กันก็แล้วกันแล้วก็นั่งฟังเทศฟังธรรมต่อไปไม่ต้องไปกังวลนี่คือวิธีรักษาโรคใจขั้นที่หนึ่งรักษาด้วยยาคือการทำบุญทำทานถ้าเราทำบุญทำทานเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆ ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นซื้อของหรูหราเอาไปเที่ยวเนี่ยทุกครั้งที่เราจะใช้เงินแบบนี้เอาไปทำบุญให้หมดแล้วต่อไปความอยากที่จะใช้เงินแบบนี้จะหายไปแล้วเราก็จะไม่ต้องใช้เงินแบบนี้อีกต่อไปแล้วจะทำให้เงินทองที่เราไม่พอใช้นี้เหลือใช้ขึ้นมาเพราะเงินทองที่เราจำเป็นจะต้องใช้นี้มันน้อยกว่า เงินทองที่เราจะหามาได้นั่นเองเราตัดรายจ่ายที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นออกไปซึ่งเป็นส่วนใหญ่เงินทองที่เราใช้กับความอยากนี้เป็นเงินทองส่วนใหญ่เงินทองที่เราใช้กับความจำเป็นนี้เป็นส่วนย่อยเมื่อเราตัดรายจ่ายส่วนใหญ่ไปได้แล้วทีนี้เราจะมีเงินเหลือเฟือมีเงินเหลือไว้สำหรับเอาไปลงทุนต่อ หรือเอาไปฝากในธนาคารเพื่อให้เกิดดอกขึ้นมาถ้าไปลงทุนต่อก็จะมีการเพิ่มรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองนี้หายไปเพราะจะมีหลักทรัพย์มีหลักประกันหลายหลายรูปแบบด้วยกันที่จะรับประกันอนาคตของเราว่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการขาดเงินขาดทอง เรื่องการอดอยากขาดแคลนนี้จะไม่มีปัญหาต่อไปนี่คือเรื่องของวิธีรักษาความไม่สบายใจขั้นที่หนึ่งก็คือให้ใช้เอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากต่างๆนี้เอามาทําบุญทําทานทําที่ไหนก็ได้ทํากับใครก็ได้เบื้องต้นทํากับคนที่ใกล้ชิดกับเราก่อนคนที่เขาเดือดร้อนแต่ใกล้ชิดกับเรา เช่นถ้าพ่อแม่เดือดร้อนขาดแคลนก็เลี้ยงดูพ่อแม่ก่อนถ้าญาติพี่น้องเดือดร้อนก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันไปหรือถ้าเราอยากจะช่วยเหลือที่ไหนก็ไปทําได้โรงพยาบาลก็ได้โรงเรียนก็ได้วัดวาอารามก็ได้อันนี้ก็สามารถทําได้อันนี้คิดว่าอาจจะต้อง เอาแค่นี้ก่อนกนะ็มั่งเพราะว่าฝนไม่ยอมหยุดญาติโยมฟังก็ไม่มีสมาธิพอที่จะฟังก็คิดว่าจะต้องขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วว้โอกาสหน้าค่อยมาฟังกันใหม่พรุ่งนี้บัลล น, นี้ยังมีอีกถ้าว่างก็มาฟังต่อได้ก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ อยาขออนุโมทนาให้พรยถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปับปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจตตสะเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปนะระโสยะามะนิโชติราโสยะาสัพพิต so ิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคาโยโกภาอภิวาทนศีฤิธะนิจังวุฒาปัจายโน จตาโรโหธรร ม, มาวาทานติอายุวนโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามไม่เข้าใจในธรรมอันไหนก็ถามได้ในตอนนี้ ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาถามที่ศาลานี้มีไมโครโฟนให้พูดถ้าไม่อยากจะขึ้นมาเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ Facebook 270เจิคนครับ y o u t u ร e อ3สาสบคนครับวิทยุออนไลน์24คนครับผู้รับฟังบนเขา1้อยสาสิบดคนครับรวมทั้งหมด 5้า้อยหกสบปดคนก้าจ้ะช่วงนี้คนเดินทางกันกลับบ้านันไปเตรียมตัวเรี่ยงฉลองกันไม่มีกระจิตกระจายอย่าฟังธรรมน ะ, ะใครอยากจะถามก็ถามได้นะยกมือขึ้นแล้วจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านก่อนนะทุกคนถ้ามีไหมยังไม่มีเออ าไม่มีเงนินจะเทศต่ อ, อ, อเมื่อกี้พูดถึงอยา ก, กินอที่เกิดจากความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่พอใช้ที่ไม่พอใช้เพราะใช้เงินทองตามความอยากกันนั่นเองถ้าใช้ตามความอยากแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เห็นอะไรก็อยากซื้ออยากได้ไปหมดเงนันต้องใช้เหตุผลเวลาใช้เงินจําเป็นไหมถ้าไม่ไม่ ไม่ได้มันมาแล้วจะตายไหมถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นอย่าไปซื้อมันถ้าอยากจะห้ามไม่ได้กลัวถ้ามีเงินอยู่ในมือแล้วมันจะห้ามใจไม่ได้ก็เอาไปทําบุญนะมันจะได้ไม่มีเงินอยู่กับมือแล้วก็จะทําให้เกิดความสุขใจที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปซื้อของตามความอยากต่างๆ เป็นความสุขที่อิ่มใจสุขใจพอใจจะทำให้ไม่หิวกับความอยากต่างๆอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันจะถูกกาจัดไปด้วยการทำบุญทำทานพอเราไม่มีความอยากแล้วทีเงินทองก็จะเหลือกินเหลือใช้เราสามารถเอาเงินทองที่เราได้มานี้ไปลงทุนต่อไปขยายไปขยายต่อได้ไปต่อยอดได้ ก็จะทำให้ฐานะการเงินการทองของเรามั่นคงจะไม่ค่อยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องขาดเงินขาดทองเพราะเราจะมีรายได้เข้ามาหลายทางด้วยกันไม่ใช่เข้ามาทางเดียวมีเงินทองไปฝากธนาคารบ้างซื้อเพชรซื้อทองเก็บไว้บ้างซื้อที่ซื้อทางอะไรแล้วแต่เอาเงินมาทำประโยชน์อย่างนี้ดีกว่าเอาไปเที่ยวไปซื้อของพุ่มเฟย เรารับรองได้ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนี่จะไม่มีจะอยู่อย่างสบายใจส่วนถ้าความทุกข์ที่เกิดจากความประพฤติไม่ดีนี่ความทุกข์ของเรานี่เกิดจากการทําบาปนี่นเวลาเราทําบาปแล้วมักจะเกิดความทุกข์เกิดเรื่องราวเกิดปัญหาต่างๆตามมาเราก็สามารถกําจัดความทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ได้ด้วยการรักษาศีล ละเว้นอบายามุกเนี่ยการเสพอ บ, บายามุกการการทำบาปเนี่ยเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจต่างๆถ้าเรารักษาศีลได้เราจะกำจัดเรื่องของความไม่สบายใจที่เกี่ยวกับการประพฤติของเราได้ถ้าเราไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยไม่เสพอ บ, บายามุกต่างๆ สุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรหรือความเกลียดค้าน้าเรากาจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเราได้ชีวิตเราจะสบายขึ้นเยอะจะไม่มีเรื่องราววุ่นวายใจต่างๆอันนี้ยากกว่าการทำบุญทำทานการรักษาศีลนี้จึงเปรียบเหมือนกับการฉีดยาฉีดยามันเจ็บกว่าการรับประทานยา แต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องยอมฉีดถ้าอยากจะให้ใจเราสบายไม่วุ่นวายไปกับพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆของเรา <c oughs> เราถ้ารักษาศีลได้เราจะเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยงามมีใครใครรู้จากเราก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลธรรมนี่ไม่มีใครก็อยากจะคบค้าสมาคมด้วย ไม่มีการอยากจะคบกับคนขี้โกงไม่อยากจะคบกับคนโกหกหลอกลวงไม่อยากจะคบกับคนที่ชอบมาแอบมายุ่งกับสามีภรรยาของตนถ้าเป็นคนที่มีศีลแล้วจะเป็นคนที่มีคนยินดีต้อนรับเสมอเวลาต้องการความช่วยเหลือเขาก็ยินดีที่ช่วยเหลือเชนเวลาที่เขาต้องการจะจ้างคนมาช่วยทำงานนี่ เขาก็ต้องเลือกดูคนว่าเป็นคนมีศีลแล้วไม่มีศีลถ้าเป็นคนไม่มีศีลเขาก็ไม่อยากที่จ ะ, ะจ้างมาเดี๋ยวกลัวเอามาแล้วจะมาลักขโมยข้าวของเงินทองในบ้านไปนการมีศีล น, นี่เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขและที่จะกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆอันนี้ประโยชน์มันมีหลายแต่วันนี้พูดแต่ประโยชน์ในปัจจุบันน ประโยชน์ในการทําบุญประโยชน์ในการรักษาศีลมันมียาวมันมีมากตดมากกว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ตายไปเนี่ยชีวิตของเราดวงวิญญาณของเราจะดีไม่ดีก็อยู่ที่การทําบุญกับการรักษาศีล น, นี้หรือไม่ถ้าเราได้ทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆรักษาศีลอยู่เรื่อยๆดวงวิญญาณของเราจะไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าเราไม่รักษาศีลไม่ทาบุญนี่ดวงวิญญาณเราจะไปอยู่ในอบายไปนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างหรือถ้าไปเกิดก็ได้ร่างกายของสัตว์ในราชานนี่คือการป้องกันหรือการกําจัดทุกข์ภัยของจิตใจต้องกําจัดด้วยการรักษาศีล <c oughs> มีคำถามเข้าไหม อา่ามีตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวถ้าไม่มีคําถามเราค่อยตอคําถามจาก <c oughs> ทาง Facebook นะคะจากคุณน้อยเรียนถามค่ะหนูได้ไปประสบกับเหตุการณ์หนึ่งคือในงานหนึ่งมีพระนั่งตามลําดับพรรษาแล้วปรากฏว่าพระอริยสงฆ์พรรษาน้อยกว่านั่งติดกับพระสงฆ์ที่พรรษามากกว่าอย่างนี้พระอริยสงฆ์ ต้องทำความเคารพพระปุถุชนหรือไม่คะตามหลักธรรมเนียมของโลกสมมุติพระอริยสงฆ์ก็ยังต้องเคารพกฎของสมมติอยู่เพราะว่าการเป็นพระอริยสงฆ์นี้มันเป็นเรื่องของข้างในใจเรื่องที่ไม่มีใครรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเสียแซงกันได้ บางคนอยากจะเป็นใหญ่ก็เสแสร้งว่าเป็นพระอริยะบุคคลอยากจะนั่งหัวแถวอยากจะดินบินทบาทพูดเป็นหัวหน้าสายก็จะบอกว่าฉันเป็นพระอริยะคุณถึงแม้จะพันสา ม, มารถกับผมแต่ผมเป็นพระอริยะผมต้องอยู่อย่างนี้ก็เป็นกิเลสล้วนๆนะพระอริยะท่านไม่มีกิเลสท่านไม่มีความยึดติดในลาบในยศต่างๆท่านยินดีเป็นเป็นพระบวชใหม่เสมอ กินดีนั่งอยู่ท้ายแถวเดินอยู่ท้ายแถวเสมอครับอันนี้ใจของพระอริยะท่านเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีความโลภเนี่ยไม่มีความโลภความอยากแต่ถ้าใครมาบอกว่าเป็นพระอริยะแล้วอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็ถือว่าไม่ใช่พระอริยะแล้วแต่โดยหลักของของโลกเขาก็มีกฎมีระเบียบไม่ใช่พอเป็นเทวดาแล้วก็ไม่เคารพพ่อเคารพแม่ยังงี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม พ่อเป็นมนุษย์เพราะเราเป็นเทวดาอย่างนี้เพราะเราทำบุญเรารักษาศีลได้พ่อไม่ได้ทำบุญไม่รักษาศีลเราก็ต้องสูงกว่าพ่ออย่างนี้ไม่ใช่เนเรื่องของจิตใจกับเรื่องของร่างกายนี้เราต้องแยกออกคนละคนละส่วนกันเราอยู่ในโลกของร่างกายเราก็ต้องใช้ร่างกายเป็นหลักร่างกายเป็นผู้ใหญ่มีอายุมากกว่าเรา เราเป็นลูกเป็นน้องอย่างี้เราก็ต้องเคารพผู้ที่เ็าเป็นผู้ใหญ่กว่าเราให้เกียรติกับผู้ที่เขาใหญ่กว่าเราแก่กว่าเราแต่ความดีความชอบมันได้อยู่ที่อายุคนที่อายุน้อยอาจจะมีความดีงามมากกว่าคนที่มีอายุสูงก็ได้แต่นี่เป็นเรื่องของของในใจของแต่ละคนคนที่มีความดีเ้าไม่ีความสุขเ้าไม่ต้องการอะไรจากใครไม่ต้องการให รับเกียรติยศให้ไปนั่งเป็นประธานหรือเป็นอะไรนี่คือพูดเปรียบเทียบให้ฟังดังนั้นพระเราจะเขารบกันตามลำดับพรรษาแม้จะมีตําแหน่งทางทางอะไรทางทางพระที่เป็นสังฆราชเป็นสมเด็จเป็นอะไรนี้เป็นยศต่างๆก็ยังไม่สามารถมาลบล้างพรรษาได้ เช่นถ้าสังฆราชมีภรรษาน้อยกว่าพระที่ไม่ได้เป็นสังฆราชพระสังฆราชก็ยังต้องกราบพระที่มีพรรษามากกว่าอันนี้พูดให้เปรียบเทียบให้ฟังคำถามจากทาง u t u b e ค่ะจากคุณกิตติกราบเรียนถามถ้าเราจะทราบได้อย่างไรว่าในอดีตเคยปาถนาพุทธภูมิเพราะเคยได้ยินว่า หากเคยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจะสำเร็จทมในชาตินี้ยากหรือไม่ต้องสนใจปฏิบัติไปไเรื่อยๆครับคนที่สนใจในการช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าช่วยเหลือตนเองนั่นน่ะจะเรียกว่าเป็นนิสัยของพุทธภูมิคืออยากจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เลยไม่ค่อยมีเวลามาดูแลช่วยเหลือตนเองอย่างพระเวชสันดร อ, อย่างนี้ จะใครทุกเดือดร้อนก็ยินดีจะช่วยเหลือแม้ตนเองจะต้องเสียสละภรรยาเสียลูกอะไรก็ยินดีที่จะสละถ้าให้คนอื่นเขามีความสุขเนีอันนี้คือนิศสัยของพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างนี้จะจะให้ความสําคัญต่อการสร้างทานบารมีศีลบารมีเอนนจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุดเจริญอันนี้ ดูได้สองอันนี้ดูดูที่ทานดูที่ศีลก่อนนถ้าทาแบบสุดโตง่งมาทำแบบแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม่เสียดายชีวิตไม่ได้เสียดายอะไรทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอย่างนี้มักจะถือว่าเป็นพวกโพธิสัตว์นีคำถามจากคุณชาตินี้โชคดีที่สุดแล้วกราบนามส ก, การพระอาจารย์ค่ะที่พระอาจารย์เทศว่าถ้าได้โสดาบันแล้ว จะเดินไปอริยะเจ้าขั้นต่อๆไปได้เองคือการปฏิบัติมักแปดเหมือนเดิมคือศีลสมาธิปัญญาแต่จะแก้กิเลสแต่ละตัวที่ยากขึ้นและละเอียดไปเรื่อยโยมเข้าใจถูกไหมคะถูกแล้ววิธีแก้เหมือนกันเพียงแต่ว่าปัญญาที่จะมาใช้กับแก้กับกิเลสแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันถ้าติดกับชีวิตก็ต้อง ปล่อยวางชีวิตต้องพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าไปติดกับความสวยงามของร่างกายของคนอื่นเห็นเขาเรายังอยากเขาได้เขามาเป็นแฟนอยู่ก็ต้องพิจารณาร่างกายของเขาให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของเขาพอเห็นกระดูกของเขาเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นตับเห็นลำไส้ มันก็จะทำให้ความอยากที่จะได้เขามาเป็นแฟนหายไปมันมีมันมีปัญหาที่ต่างกันเป็นโรคที่ต่างกันต้องใช้ยาชนิดต่างกันแต่จะรู้จักวิธีรักษาว่ารักษาแนวเดียวกันต้องปล่อยวางเท่านั้นต้องหยุดความอยากเท่านั้นที่จะหยุดได้อย่างไรเท่านั้นเองคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะ <c oughs> หากมีผู้ที่บอกบุญด้วยการนาพระบุทธรูป สืบพระเครื่องนําออกมาให้บูชาเพื่อนํารายได้ไปถวายวัดเพื่อค่าน้ําค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายต่างๆของวัดหากเราร่วมบูชาพระหรือวัตถุมงคล น, นั้นเรามีส่วนได้ในบุญนั้นหรือไม่เจ้าคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าเขากําหนดราคาแล้วเราให้ไปตามราคาเพื่อเราจะได้รับวัตถุมงคล น, นั้นก็ถือว่าเป็นการซื้อขายแนละไม่ได้เป็นการทําบุญ เป็นการทำบุญนี้ต้องไม่้องไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนต้องการให้ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่านถ้าเขาถ้าเราอยากจะทำบุญก็ไม่ต้องรับวัตถุมงคลไปบอกว่าผมไม่ต้องการผมอยากจะทำบุญก็บริจาคเงินนั่นไปแต่ถ้าเขายัางยัดเยียดจะให้เราอันนี้เราก็รับได้แต่เราไม่ได้รับเพราะว่าเราอยากได้เราไม่ได้รับแบบเราไปแลกเปลี่ยน กับการทำบุญของเราแต่เราอาจจะรับเพราะไม่ให้เสียมารยาท เ, ออ mm. เขาอยากจะให้เรา เ, ออเราก็รับไปหรือถ้าเราไม่อยากจะได้เราก็เอาไปให้คนที่เขาอยากได้ไปเราก็ได้บุญอีกต่อหนึ่งออของที่เขาให้มารู้ว่าคนนี้ชอบวัตถุมงคลเขาไม่มีเงินทาเรากออ็ให้เขาไปอย่างนี้เราก็ยังได้บุญอยู่ดาบใดที่เราเสียสละโดยที่เราไม่ได้รับอะไรเป็นผลตอบแทน คำ ถ, ถามจะผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะลูกมีความกังวลในเรื่องความเจ้าชู้ของสามีทั้งในบ้านนอกบ้านหรือแม้แต่กับลูกสาวควรใช้ทำข้อใดในการรักษาจิตใจให้สงบได้คะก็มีหลายข้อข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องดูว่าเขาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เขาจะทําอะไรนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศเมื่อกี้ฝนตกเห็นไหมจะไปให้มันหยุดก็หยุดไม่ได้ถ้าอยากให้มันหยุดใจก็ภาวักพรวนฟังเทศไม่รู้เรื่องถ้าบอกว่าช่างหัวมันมันจะตกก็ปล่อยมันตกไปกูจะฟังธรรมของกูต่อไปมันก็ฟังได้สบายดังั้นต้องรู้จกักปลงวางว่าอสามีเนื้อสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เขาจะอยู S <S <an> ่กับเราซื่อสัตย์กับเราหรือไม่เราไปควบคุมเขาไม่ได้บางทีเขาซื่อสัตย์แต่เขาอาจจะตายจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเขาอยู่กับเราแต่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเราก็ควบคุมบังคับไม่ได้เราก็ต้องอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราหวังว่าให้เขาซื่อสัตย์ให้เขาอยู่กับเราพอเขาไม่อยู่กับเราหรือไม่ซื่อสัตย์กับเราเราก็จะไม่สบายใจขึ้นมาอันนี้ก็คือหลักวิธีหนึ่ง วิธีที่สองก็พิจารณาดูอสุภะของเขาถ้าเห็นก็เป็นซากศพแล้ว ก, ก็ใครอยากจะได้ก็ยกให้เขาไปคิดดูเวลาถ้าเกิดเขาตายวันนี้จะเก็บไว้ในบ้านไหมใครจะมาขออยกให้เลยใช่ไหมใครอยากจะได้ศพเขานี่ยเอาไปเลยต้องมองว่าเขาเป็นเหมือนศพเดินได้ศพที่ยังหายใจได้พอไม่หายใจเราก็ไม่เก็บไว้ในบ้านแล้ว ถ้าย่านี้ถ้าพิจารณางี้ได้เห็นอย่างนี้ก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่ไปห่วงเขาหรือจะคิดอีกมุมก็ได้ว่าโลกนี้มีผู้ชายคนเดียวเลยวะมีผู้ชายเป็นแสนล้านเป็นเป็นหลายล้านเป็นพันล้านจะหาใหม่คนไม่ได้เชียวถ้ายังอยากจะมีแฟนอยู่ก็บอ ก, กเข า, าถ้าคุณไปยุ่งกับคนอื่นเดี๋ยวฉันจะไปบ้างนะ<อ>มันต้องมีไม้เด็ดดัดกันบ้างอย่างนี ทำไมปล่อยให้าไปเที่ยวคนเดียวเล่นคนเดียวได้เราก็เป็นคนเหมือนกันเนี่ยเราก็เที่ยวเราก็เล่นของเราได้เหมือนกันคราว น, นี้เดี๋ยวบางทีเขาก็อาจจะเสียดายเสียเสียดายเรากลับเป็นคนดีก็ได้กลับใจก็ได้โอ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันไปเที่ยวกับคนอื่นคำถามจากทาง a c e b o o k นะคะเรียนถามพระอาจารย์ครับเทวดาหมดบุญแล้วสามารถเลือกเกิดได้ไหมครับ ก็มาเป็นมนุษย์เียเองแต่ว่าจะไปเกิดได้ท้องไข่เนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกเหมือนกับขับรถหาที่จอดรถเนี่ยเวลาจอดรถคนไปเลือกที่หรือเปล่าที่ไหนมันใกล้พอจอดได้คนก็จอดเลยไม้่งั้นคนต้องขับเวียนอยู่นั่นกว่าจะได้เจอที่จอดพอคิดว่าที่นี่มันใกล้พอที่เราพอพอที่จะเดินได้แล้วก็เอาละอันนี้ก็เหมือนกันเวลาจะไปเกิดใหม่นี่มันเราไม่รู้นะียเราพูดตามความคิดของเรา ามันเลือกไม่ได้หรอกมันแล้วแต่จังหวะพ่อแม่กำลังสร้างลูกขึ้นมาเมื่อไหร่เราจังหวะผ่านมาพอดีก็เหมือนขับรถมาเจอช่องว่างก็เสียบเข้าไปพอดีหม ด, ด, ดแล้วเหรอออ่อมีคนอยู่เยอะนะเอาเงินเอาการลักเอามีรายกระถามเลย อหนูถามเลยหนูกล้าหาญหยิบพูดใกล้ๆปากเลยพูดดังๆคือว่าอยากจะรู้ว่าเออถ้าสมมติเรารู้สึกโกรธคนแก้ด้วยวิธีอะไรอะคะอ๋อโกรธคนก็แก้ด้วยวิธีหลายวิธีด้วยกันอวิธีแรกถ้าเราโกรธก็เรารู้สึกตัวเราไม่อยากจะโกรธล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธ ถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธสักพักเราก็ลืมเรื่องที่ทำให้เราโกรธเราก็หายโกรธได้ถ้าต้องถ้าไม่ถ้าเดินหนีได้ก็เดินหนีไปอย่าไ ป, ปเผชิญหน้ากันยิ่งเห็นหน้ายิ่งเห็นอะไรเขายิ่งทำให้เราโกรธขึ้นมาก็พยายามถอยถอยไปไปอยู่ไกลๆ ก, กันแล้วถ้าใจยังไปนึกถึงเขาอยู่ก็ให้ใช้พุโทโธพุธโทโธหนึ่งไว้ท่องพุโทโธ้วิธีที่สอง วิธีนี้ดีกว่าถ้าทำได้เราต้องรู้ว่าเราโกรธเขาเพราะอะไรที่เราโกรธเพราะเราอยากให้เขาทาอย่างนั้นหรือไม่ทาอย่างนี้ใช่ไมเราไม่อยากให้เขาหลังแกเราเขาหลังแกเรา เ, าเราก็โกรธถ้าเราอยากจะไม่โกรธก็อย่าไปอยากให้เขาไม่หลังแกเราเขาอยากจะทำอะไรเราห้ามเขาไม่ได้เราก็คอยหลบก็แล้วกันถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนชอบหลังแกเราเราเจอเขาเราก็หลบ ถ้าหลบไม่ได้ก็คิดว่าเราเป็นเหมือนกระสอบซรายให้เขซ้อมก็แล้วกันทดสอบบารมีเดี๋ยวเขาซ้อมเจ็บเขาต่อยไม่กี่ทีเขาเจ็บมือเขาก็หยุดเองเนะนะแต่เราจะชนะชนะใจของเราเราจะไม่มีเราจะไม่ได้เราจะไม่โกรธเขาแล้วเราจะไม่เสียใจเราจะมีความภูมิใจว่าเออเราไม่กลัวเขาเราพร้อมที่เขาเขาอยากจะใช้เราเป็นกระสอบทรายก็ให้เขาใช้ไป นะทำได้ไอา่าลองดูนะ <c oughs> อมีอีกไหมยังไม่มีไม่ ม, ม, มีก็เมื่อกี้พูดถึงรักษาโลกขั้นระดับที่สองระดับฉีดยาคือการรักษาศีลห้าละเว้นอบายามุขจะช่วยให้ความประพฤติของเราดีจะทําให้ปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากความประพฤติของเรานี่หายไปเช่นคนที่ชอบประพฤติผิดประเวณีนี่จะมีปัญหาเยอะ ปัญหากับภรรยาของตนปัญญากับคนที่ไปเป็นกับเขาด้วยเพราะเดี๋ยวมันไม่ใช่รักคนนี้แล้วเดี๋ยวมันจะพอที่ไหนเดี๋ยวมันรักคนนี้แล้วเดี๋ยวมันไปเจอคนใหม่มันก็อยากจะได้มันก็จะมีปัญหากับแฟนไปเรื่อยๆ mm hmm. ถ้าเป็นคนซื่อสัตย์คนรักเดียวใจเดียวนี่ปัญหาต่างๆล่านี้ก็จะไม่มีแล้วโรคภัยต่างๆก็จะไม่มี คนเที่ยวําำ ส, สอนดีไมด่ดีเดี๋ยวก็ติดเชื้อโรคต่างๆเข้ามาเนี่ยตายเพราะโรคเอดกันเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมเพราะเนี่ยไม่มีศีลธรรมกันมีเข้ามาไหมเข้ามาต่อคำถามจากคุณวุฒิชัยคะ่ะถามว่าเปลี่ยนจากคำบริกรรมภทโทเป็นอัตติอัตติอัติได้ไหมคะ เพราะมันได้เห็นกระดูกไปพร้อมด้วยในขณะบริกรรมค่ะได้วิธีไหนที่ทำให้ใจเราสงบก็ได้ทั้งนั้นมีหลายวิธีด้วยกันบางคนก็ท่องสวดมนต์ไปก็ได้เอตีปิโสผักาวาอรางังสัมมาสัมพุทโธไปแล้วแต่กรณีแล้วแต่เหตุการณ์ใช้แบบไหนได้ก็ใช้ไปมีสี่สิบวิธีด้วยกันวิธีที่จะควบคุมใจของเรา ให้ตั้งอยู่ในความสงบเรียกว่ากรรมฐานสี่สิบชนิดแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้ของที่ที่สะดวกง่ายรวดเร็วก็คือพุโทโธพุธโทโธทีนี้เข้าถึงขั้นที่สามวิธีรักษา ร, กรักษาโลคของใจขั้นที่สามที่ทำทานไม่สามารถรักษาได้ที่รักษาศีลไม่สามารถรักษาได้ก็คือความโลภความโกรธต่างๆความทุกข์ความ ความวุ่นวายใจที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่ต้องอาศัยวิธีขั้นที่ขั้นที่สามที่มีอยู่สองขั้นด้วยกันคือขั้นสมาธิและขั้นปัญญาขั้นสมาธิก็จะรักษาแบบชั่วคราวเหมือนกับรักษาโรคมะเร็งก็ใช้ฉายแสงไปก่อนใช้แสงเพื่อไม่ให้มะเร็งมันขยายตัว แต่ถ้าหยุดฉายแสงเดี๋ยวมันก็ขยายใหม่ได้ถ้าอยากจะให้มันไม่ขยายหลังจากที่ฉายแสงแล้วก็ต้องไปผ่าตัดตัดเนื้อที่เป็นเนื้อร้ายทิ้งไปให้หมดมันจะได้ไม่ขยายตัวต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกสมาธิการทำใจให้สงบนี่ก็เป็นเหมือนกับการฉายแสงทำให้เนื้อร้ายมันไม่ขยายตัวเรานั่งสมาธิเราก็จะทาใจให้สงบ พอสงบกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันก็จะหยุดทางานมันก็จะไม่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราในขณะที่เรานั่งอยู่ในสมาธิแต่พอเราออกจากสมาธิมากิเลสที่มันถูกกำลังของสมาธิกดไว้มันก็จะออกมาทำงานต่อมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราต่อถ้าเราอยากจะกําจัด ก, กิเลสแบบถาวร เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องหัดใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เราโลภเราอยากว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องทำให้เราเสียใจทุกข์ใจเหมือนผู้หญิงเมื่อกี้ที่มีปัญหากับสามีเห็นไหถ้าก่อนจะมีสามีถ้าพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาได้ก็ไม่มีดีกว่าถ้ารู้ว่ามีสามีแล้วจะต้องมาทุกข์แบบนี้มีทาไมที่มันไม่มีปัญญากัน เวลาอยากได้นี้เห็นว่าเป็นสุขไปหมดเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแต่ความจริงทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแต่ถ้าไม่มีปัญญาจะคิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นของให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดอนั้นถ้าเราหัดมองทุกมองโลกในมุมกลับได้มองโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนตัตตา เวลาเราเกิดความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะหยุดมันได้แล้วจะหยุดอย่างถาวรต่อไปความโลภในสิ่งนั้นจะหายไปนี่คือวิธีรักษาขั้นสุดท้ายต้องฉายแสงก่อนแล้วก็ผ่าตัดเอาเนื้องอกเนื้อ้ายออกไปยี่ไม่มีเนื้องะไรหลงเหลืออยู่ในร่างกายแล้วร่างกายก็กลับมาอยู่เป็นปกติได้ใจก็เหมือนกันพอเอาเชื้อโรคเรือ เนื้อเนื้องอกเนื้อร้ายออกจากใจไปได้คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยสมาธิด้วยปัญญาแล้วทีนี้ก็จะไม่มีไม่มีโครคภัยไข้เจ็บทางจิตใจต่อไปใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่ากับเรื่องใดกับสิ่งใด ก, กับคนใดจะมีความสุขไปตลอดมีคําถามจากทาง youtube นะคะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะ ขณะนอนหลับเกิดความฝันแต่ในขณะฝันเรากําหนดลมหายใจในความฝันแล้วเราก็ตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างมีสติครบถ้วนอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเจ้าคะถ้ามีถ้ากําหนดลมหายใจได้ก็แสดงว่าไม่ฝันแล้วแสดงว่าตื่นแล้วถ้ามีสติหรือว่าถ้าถ้ากําหนดเพราะว่าเป็นกําหนดอยู่ในฝันก็อาจจะเป็นเพราะนิสัยที่เราได้ฝึกในขณะที่เราตื่น ขณะที่เราตื่นเราฝึกดูลมหายใจเขาออกพะในขณะที่ฝันเราก็ฝันว่าเรากำลังก ำ, กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ก็เป็นได้ถ้าเราเคยทำอะไรมากๆจนมันฝังในใจเวลานอนหลับมันจะฝันในเรื่องที่เร า, เ, าเคยทำอยู่เป็นประจาได้อยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นความฝันเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ควบคุมเหตุ ความฝันเหล่านั้นความฝันมันก็ผลิตไปตามอำนาจของพฤติกรรมที่เราเคยทำในขณะที่เราตื่นน่เองถ้าเราทำพฤติกรรมไม่ดีเราก็จะฝันร้ายถ้าเรามีพฤติกรรมดีมันก็จะฝันดีถ้าเรามีพฤติกรรมทำอะไรซ้ําๆซากๆากบ่อยๆเวลานอนหลับมันก็จะฝันถึงพฤติกรรมเหล่านั้นได้คาถามจากคุณศิริลักษ์ค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วตัวเหมือนหมุนหมุน เหมือนจะโดนดูดออกจากร่างคืออะไรคะกับเรียนถามค่ะรู้สึกกลัวเจ้าค่ะก็นั่งแบบไม่มีสติไงนั่งแบบไม่มีพุทโธนั่งแบบไม่มีดูลมหายใจเวลานั่งต้องมีอะไรคอยกากับควบคุมใจเหมือนกับเวลาขับรถนั่งไปแล้วไม่ปล่อยให้รถมันวิ่งเองเดี๋ยวมันก็แหกโค้งผ่าไฟแดงจิตก็เหมือนกันถ้านั่งสมาธิแล้วไม่ควบคุมมันเดี๋ยวมันก็ผลิตอะไรแปลกๆเหล่านี้ขึ้นมา มีอาการต่างๆหลากหลายแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกันยันต้องแม้กระทั่งขณะมีสติบางทีมันยังผลิตอาการต่างๆได้แต่ถ้าเรามีสติเราก็อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆถ้าเราใช้พูดโทเราก็พูดโทต่อไปถ้าจะรู้สึกว่ามันพะตัวมันพองตัวมันลอยตัวมันหดตัวมันหมุนหรือมันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็อย่าไปสนใจคันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจ ให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านะั้นมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่มีพุโทโธนี่เดี๋ยวพอเกิดอาการอะไรขึ้นมาเราก็หลงตามไปดูอาการนั้นตอนไนที่สวยก็นั่งต่อไปไม่ได้คำถามจากคุณพัทราค่ะถ้าเราภาวนาสงบไปแล้วมีกายอีกกายออกจากร่างเนื้อนี้มีอีกรูปร่างหนึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติผิดหรือถูกเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋อมันเป็นการปรุงแต่งของใจไงใจมันก็ผลิตแสดงว่าตอนนั้นเราไม่มีสติถ้าเรามีสติเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อไปจิตยังไม่สงบถ้าจิตสงบจริงๆจะไม่มีอาการแปลกๆต่างๆเหล่านี้ให้เราได้รับรู้ถ้ายังมีอาการแปลกๆอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบเราก็ควรที่จะ พุโทโธต่อไปเรื่องดูลมหายใจต่อไปอย่าหยุดนะถ้าหยุดแล้วเดี๋ยวจิตมันก็จะทำอะไรแ ป, กแ ป, กแปกลกๆลองนี้ให้เราเห็น <c oughs> หมดแล้วนะ <c oughs> มีใครอยากจะถามอีกไหม <c oughs> ถ้าไม่มีก็คิดว่ามีไหมเอ า, เอายกมือขึ้น เ, เดี๋ยวส่ง <c oughs> ไ, ไ, ไม้ก็โฟนไปเลยได้ในเวลาไม่รีบร้อนตามสบายอบคุณ พราะใกล้ๆตับเลยอกาครับแล้วมีบางครั้งครับเวลาบางครั้งเวลาจะนอนครับจะนอนก็คือทําใจว่าจะนอนแต่อยู่ๆมันก็เหมือนกับมันมันมีสติมีสมาธิขึ้นมาเอ่มันตื่นขึ้นมาครับมันตื่นขึ้นมาแล้วเราเรากําหนดเข้าไปมันก็เหมือนกับสงบมันแต่ว่ามันมันก็แปลกทั้งที่เราจะนอนเงนี้ยใช่บางทีมันอาจจะเป็นเชิงที่มันอยากจะสงบพอดีก็ดี ก็รู้ให้มีสติกำหนดรู้ไปเฉยๆถ้า mm hmm. จิติราบางทีมันมันมีอะไรที่เราบางทีเราไม่ได้ควบคุมบังคับมันมันก็จะเป็นเหมือนออโต้ไปเช่นตอนที่เราจะนอนหลับนี่เราจะไม่ได้ควบคุมบังคับเราสติเราจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนลงอ่อนลงนจิตมันก็อาจจะแสดงอาการอะไรบางอย่างได้ก็ให้รู้ด้วยสติอย่าไปตื่นเต้นตกใจหรือดีใจเสียใจ หรือว่ามันเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นแล้วเดียวมันก็ดับไปไม่มีอะไรอาการของจิตเราเรียกว่าอาการของจิตบางทีอาจจะรู้สึกว่าการกำหลับแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนี่อาจจะรู้สึกมีผีมาอ่ำางนี้ก็เป็นอาการของจิตเหมือนกันให้รู้เฉยๆรู้ด้วยสติไม่ว่าเป็นเหมือนหนังดูหนังมันมาหลอกเราอาจจะดูหนังผีหนังอะไรนั่นเอง ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจเดี๋ยวมันก็จะสงบตัวลงมาถามต่อถามคาถามจากคุณฮอลลี่ค่ะกลับเรียนถามเจ้าค่ะจะน้อมนำทาใดเพื่อปฏิบัติให้ขจัดความแข็งกระด้างให้มีความอ่อนโยนเจ้าค่ะก็ต้องเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องพยายามเตือนเราเสมอว่าเราเป็นผู้น้อยอย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่ ถึงแม้เขาจะตั้งให้เราเป็นผู้ใหญ่แต่เราก็ต้องคิดว่าเราเป็นผู้น้อยอยู่เรื่อยๆแล้วเราคิดว่าเราเป็นผู้น้อยอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่หลงตัวเองแต่ถ้าเราไปหลงกับการคำเยินยอหลงกับสถานภาพการเงินการทองหรือการงานตําแหน่งอะไรต่างๆลถอะไรต่างๆถ้าเราไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นมันก็จะทําให้เรากลายเป็นค น, คนแข็งค น, คนกระด้างขึ้นมา แต่ถ้าเราพยายามคิดว่าจิตใจของเรานี่มันมันมันมีความสุขเพราะมันถือไม่ถือตัวไม่ยึดติดนะกับตำแหน่งกับยศกับเงินกับทองกับอะไรต่างๆถือว่าเป็น ม, มนุษย์คนธรรมดาสามัญคนหนึ่งที่จะต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่แบบคนต่ำต้อยคิดว่าเราเป็นคนต่าต้อยแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะเราจะไม่ต้องการอะไรไม่หวังอะไรจากใคร ถ้าเราถือว่าเราเก่งเราดีเราเด่นเราก็อยาก ใ, ให้คนเขาคิดว่าเราดีเราเด่นเราก็ไม่คิดตามที่เราคิดเราก็จะโกรธเขาแล้วเสียใจได้คําถามจากคุณพรชัยค่ะกราบเรียนถามจุติจากสวรรค์ทําไมลงมาเกิดอีกครับทําไมไม่อยู่สวรรค์เอาอินิหานครับเพราะบุญมันหมดเพราะคนที่ไปสวรรค์นี่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้จากวิธีสร้างบุญที่จะไปต่อถึงนิพพานได้ โู้ที่จะไปต่อได้ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถ้าเป็นพระโสดาบันเป็นเทวดาอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อาจจะสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปขึ้นสู่ขั้นอนาคาเมขึ้นสู่ขัน้นพระอรหันต์ได้คำถามจากคุณมาตาค่ะถ้าเรานั่งสม า, สมาธินา น, านจำเป็นไหมคะว่าต้องเห็นผีอ๋อไม่จำเป็นหรอกมันไม่ นั่งสมาธิที่ถูกต้องแล้วจะไม่เห็นอะไรการที่เห็นนี้ก็มีเห็นแบบสองอย่างเห็นจริงกับเห็นไม่จริงพวกที่เห็นจริงก็มีแต่มีน้อยมากพวกนี้จะต้องเข้าไปในสมาธิก่อนถึงจะเห็นผีจริงได้ส่วนพวกที่เห็นผีปลอมนี่ก็พวกที่คิดไปเองนั่งแล้วจิตไม่สงบเพราะได้ยินเสียงอะไรขยับนุต้งนี้หน่อยก็คิดว่าผีมาแล้วอันนี้ก็เป็นผีปลอม บดได้ยังอ่าถามไปคำถามจะคุณชาตินี้โชคปีที่สุดแล้วปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่รักลดลงไปเรื่อยๆบางครั้งรู้สึกเฉยๆที่ทำให้คนเราไม่ชอบรู้สึกว่าทุกคนทำไปเพราะกิเลสเป็นเพื่อนร่วมแกะ เป็นเพื่อนร่วมแก่เจ็บตายทั้งนั้นถูกต้องไหมคะต้องทำยังไงต่อเจ้าคะก็ทำต่อไปให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หมดปล่อยวางลาบยศสรรเสริญปล่อยวางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้ามาหาความสุขจากการปล่อยวางคือความสงบเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณลิตาคะ่ะมางานศพแม่เพื่อนคิดว่าจะอยู่อีกสองวันจนกว่าจะเผา แต่ทนไม่ได้กับความวุ่นวายการพูดคุยการเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆของเพื่อนๆรู้สึกไม่ชอบหาสาระไม่ได้เลยว่าจะกลับพรุ่งนี้เหมือนเราเข้าสังคมไม่ได้ดิฉันผิดปกติไหมเจ้าคะเอิดดานจำเป็นจะต้องอยู่เราอยากไปนี่ก็เป็นกิเลสถ้ามัน ม, ม, มีความจำเป็นจะต้องอยู่ก็ต้องควบคุมความอยากที่จะไปนี้ ผู้ที่ปฏิบัติทำได้นี่ต้องสามารถควบคุมความอยากต่างๆได้ถึงแม้จะต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ที่วุ่นวายที่ไม่ไม่ถูกไม่ชอบแต่ถ้ามีความจำเป็นจะต้องอยู่ก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะถ้าพาอยากจะหนีจากหน้าที่ของตนหรือภาระของตนนี้มันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งถึงมันอาจจะอาจจะกิเลสเอาความวุ่นวายมามาอ้างก็ได้ แต่ถ้ามันไปอยู่ในงานเลี้ยงแล้วมีความวุ่นวายนี้มันไม่มีความอยากจะกลับบ้านาทันทีฉะนั้ต้องดูว่ามันเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสถ้าเราต้องอยู่ก็ควรจะอยู่แต่โดยหลักแล้วไม่ควรที่จะไปอยู่ที่ไหนที่มันวุ่นวายควรจะไปอยู่คนเดียวอะดีที่สุดะทีนี้เราอยู่ในโลกของสัสงคมที่เรายังมีความผูกพันเกี่ยวข้องกันอยู่ ถ้าเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องไปทำหน้าที่ของสังคมเราก็ควรจะไปไม่ใช่เลือกที่รักมากที่ชังเวลาต้องทำหน้าที่ก็อยากจะไปอยู่คนเดียวพอเวลาไปทำหน้าที่อยู่คนเดียวก็อยากจะไปเที่ยวหมันกิเลสมันจะหลอกเราไปหลอกเราม า, างะั้นต้องดูว่าวาระนี้ควรจะอยู่คนเดียวหรืออยู่กับหลายคนถ้าจาเป็นจะต้องอยู่กับหลายคนถึงแม้จะไม่ชอบก็ต้องทนไปก่อน